ภาวนานะมีสองอย่างสมถกรรมฐานกับวิปัสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเราฝึกให้จิตมันสงบห น, นึง่งให้จิตมันตั้งมั่นอห น, นึง่งก็คือการเรียนรู้จิตงี่นคำว่าดูจิตดูจิตนะใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ต้องเรียน บทเรียนที่จะได้สมาธิชื่อจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตตัวเองจะต้องแยกให้ออกว่าจิตอย่างไรเป็นกุศลอย่างไหนเป็นอ ก, กุศลจิตที่เป็นกุศลมีเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขยันในการรู้สภาวะไม่ขี้เกียจสามารถรู้สภาวะได้อย่างซื่อซื่อรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซง เป็นจิต ท, ที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอันนี้คือลักษณะของจิต ท, ที่เป็นกุศลให้มันยังมีสองอย่างกุศลอันหนึ่งประกอบด้วยปัญญาอหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาอย่างเราทำสมาธิจิตสงบนิ่งสบายเฉยเฉยอยู่อยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้ไม่เดินปัญญาแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น จิตเป็นหนึ่งแล้วก็เห็นอารมณ์ทั้งหลายคือสิ่งที่ถูกรู้นั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ยเดินปัญญาแต่ถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยไม่เดินปัญญามีสติอยู่แต่ว่าไม่มีปัญญาแต่ในตําราเนี่ยถือว่าถ้าเข้าฌานได้ก็ถือว่ามีปัญญาแล้วแต่พวกเรานับปฏิบัตินถ้าไม่ได้เดินวิปัสสนาปัญญาไม่อยากเรียกว่ามีปัญญาหรอก ยังจิต ท, ที่เป็นกุศลนะมันก็ยังมีสองอันอันหนึ่งไม่ได้เดินตัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาอันหนึ่งประกอบด้วยปัญญานี่ตอนที่เราทําสมะถะกรรมฐานทําให้จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันสงบอยู่ด้วยกันเนีมันมีศัตรูตัวฉกาจเลยคือพวกนิมิตทั้งหลาย นิมิตเีมีทั้งนิมิตจริงมีทั้งนิมิตปลอมโดยเฉพาะถ้าใจเรายังมีกิเลสเหลืออยู่นะอย่าเชื่อต้องไม่เชื่อไว้ก่อนที่นั่งสมาธิไปเห็นพระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังเห็นครูบาอาจารย์เทศให้ฟังนะแหมธรรมะนะ่ะดีดีอะไรเงี้ยต้องฟังหูไวห้หูอย่าเชื่อจิตเรายังมีกิเลส มันยังหลอกเราได้บางทีก็มานปลอมตัวเป็นพระมาหลอกเราก็มีนิมิตมีทั้งนิมิตจริงมีทั้งนิมิตปลอมที่จิตสร้างขึ้นเองนิมิตแปลว่าเครื่องหมายสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นได้มีทั้งรูปมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งรสมีทั้งสิ่งที่สัมผัสร่างกายะ นิมิตมีทูกแบบเลยทั้งหกช่องทางเลยนิมิตเป็นความรู้ความเห็นทางใจก็ได้ทีก็เที่ยวระลึกอุยเกิดอันโน้นเกิดอันนี้นะแล้วแต่กิเลสจะปรุงไปนิมิมตรรมีได้ทั้งหกช่องเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผัวทพะเป็นธรรมารมได้ทั้งหมดนิมิตเป็นรูปเช่นเรานั่งสมาธิอยู่ เราเห็นผีโผล่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมองเห็นจะเห็นด้วยตาทิพย์บางทีเห็นด้วยตาเนื้อเลยเห็นอย่างน้นอย่างนี้ขึ้นมาวิธีพิสูจน์ว่าเป็นนิมิต ท, ที่จิตเราหลอนสร้างขึ้นเองหรือเป็นของจริงผีมาจริงจริงวิธีพิสูจน์คือย้อนกลับเข้ามาที่จิตก่อนย้อนกลับมาดูจิต ถ้าจิตรู้สึกตื่นเต้นรั่ว ต, ตื่นเต้นจิตกลัวรั่วกลัวอะไรเงี้ยดูเข้าไปพอเราดูจนจิตตั้งมั่นแล้วนะก็ย้อนส่งจิตย้อนออกไปดูนิมิตนะนะั่นถ้าเป็นนิมิตปลอมที่จิตสร้างขึ้นมาตอนที่เราย้อนกลับมาตั้งมั่นถึงฐานนี้นิมิตมันจะหายแต่ถ้าเราย้อนออกไปแล้วยังเจออยู่นะตัวจริงในวิธีี่สูดนนะอย่าเชื่อ ต้องไม่เชื่อไว้ก่อนถ้าเวลานิมิตเกิดแล้วเชื่อไว้ก่อนนี่หหยะนะเลยนะมันหลอกลวงเราพินาศเลยบนะทีนั่งล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่ไปจริงหรือเท็จก็ไม่รู้แต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกันอย่างไปถอดจิตไปไหว้พระจุลามณนะีพระจุลามณีของแต่ละสำนักพระจุลามณีอ ง, องค์เดียวกันแต่าทาไมไม่เหมือนกัน วาดออกมานะไม่เห็นมีเหมือนกันสักสํานักหนึ่งเลยอันไหนจริงอันไหนปลอมพิสูจน์ยากให้เราไปนั่งดูเองนะอาจจะปลอมก็ได้จิตเราอยากจะเห็นจิตเราก็สร้างขึ้นมาเราะฉั้นะอย่าเชื่อไว้ก่อนดีกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีความกำกวมนิมิตพวกนี้มีความกำกวมจริงหรือไม่ไม่แน่นี่ยนิมิตเป็นรูปนิมิตเป็นเสียงก็มี ที่เราอยู่เรานอนอยู่เนี่ยมีเสียงมาบอกเลยว่ามีพระพุทธรูปอะอยู่ที่ปลายเท้าเราบอกมีพระอยู่ที่ปลายเท้าเจ้าข้าแบเนี้นะใครมันมาวางไว้เราไม่รู้ยเี้ไปนอ น, นเราก็ต้องลุกขึ้นมาดูเออถ้ามีก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็จิตมันหลอน เป็นชาวพุทธต้องมีเหตุผลนะมีจิตวิญญาณแบบวิทยาศาสตร์บ้างจะงมงายเนะี่ยใช้ไม่ได้ความงมงายไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีเลยเป็นรูปก็มีนะนิมิตเป็นเสียงก็มีเป็นกลิ่นก็มีอย่างเราอาบน้ำอยู่เงี้ยน้าที่หอมตลบเลยน้ำจากฝักบัวเคยมีกลิ่นคลอรีนวันนี้หอมมีกลิ่นน้ำอบน้าหอมอะไรเงี้ยกลิ่นดอกไม้ หรือเราอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะหอมดอกไม้ตลบอบวนเลยนะวิธีพิสูจน์ก็คือย้อนกลับเข้ามาที่จิตอีกนั่นแหละนะวิธีพิสูจน์นิมิตย้อนเข้ามาให้ถึงฐานจริงๆแล้วออกไปสัมผัสใหม่ถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ามีถ้าหายไปแสดงว่าจิตหลอนนะนิมิตเป็นกลิ่นนิมิตเป็นรสก็มีที่เรากินข้าวเปล่าๆนี้ที่อร่อยนะอร่อย หอมหวานอร่อยเนี่ยนิมิตเป็นรสนิมิตเป็นสิ่งสัมผัสกายก็มีหลวงพ่อเคยเจอตอนนั้นบวชอยู่วัดชนประทานยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยบวชนั่งสมาธินะขยันมากเลยนั่งสมาธิแบบนักหนาสาหาัสรู้สึกเวลาปฏิบัติมีน้อยไม่เดินจกกงก็นั่งสมาธิ นั่งจนปวดขาไปหมดเลยนะเมื่อยปวดไปหมดเลยเลยเหยียดขาออกไปเหยียข้ขาไปเพปก็มีนิมิตนะเห็นคนหนึ่งเดินมามานวดให้เราก็ลืมตาดูลืมตาดูเห็นเนื้อเนี่ยนะบุมลงเป็นเป็นรอยหัวไม่โป้งเลยกดลงไปอย่างนี้นะแม้กดเก่งมากเลยกดอยู่ประมาณสี่สิบวินาทีแล้วปล่อยนะโอ้หหายเลยที่เนบชา วันหลังก็บอกมาอีกสิมาอีกสิไม่มาเนี <c> ่ย <oughs> นิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มีหรือบางทีเรารู้สึกมีใครมาจับแขนจับขาอนะไรเงี้ยจิตร้อนก็ไดนะ้มีจริงก็มีเนะี่ยนิมิต ม, มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะนิมิตเป็นธรรมารมก็มีอันนี้น่ากลัวที่สุดเลยนะนั่งไปแล้วก็เราลึกชาติไปนะ ไม่ได้มียานทัศนะจริงอะจิตมันหลอนนะอย่างสมัยหนึ่งเราเคยเกิดเป็นม้าอยู่ในกองทัพพระนเรศวรเคยเห็นหน้าพระนเรศวรนว่านิมิตมันเกิดนะเห็นพระนเรศวรขึ้นมาอู้เหล่านี้แหละคือพระนเรศวรความจริงเป็นม้าแก่ๆเอาไว้คนของเท่านั้นแหละนะเนี่ยมันหลอกเรานะี่ยอย่าเชื่อนะคนที่บอกเป็นพระนเรศวนนะรเนี่ยนะหลวงพ่อเคยได้ยินมาเกือบโหล์นะ นะในเลสสวนเพราะฉะนันสิ่งเหล่านี้อย่าเชื่อไม่มีประโยชน์นะซึ่งเคยเป็นจริงก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่ได้เป็นจนะเป็นใหญ่เป็นโตสังเกตไหมระลึกที่ไรเป็นคนใหญ่คนโตร ท, รทักทีไม่ระลึกเป็นหมาขี้เลื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีอ่นะมีพระองค์หนึ่งท่านระลึกนะคือหลวงพ่อจิมจิตใจท่านสะอาดนะการระลึกของท่านให้เชื่อถือได้จิตของพวกเราสมปรก ะระลึกนี่เชื่อถือไม่ได้หลวงพ่อเคยถามหลวงพ่อจิมว่าทําไมหลวงพ่อมุ่งมั่นภาวนานะเพื่อจะพ้นทุกข์แล้วพ่อนาได้ดีสุดยอดเลยหนะลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลว่าถ้าสิ้นหลวงปู่ดุลแล้วจะให้หลวงพ่อไปเรียนกับใครนะท่านพูดปุ๊บเลยไปเรียนกับหลวงพ่อกิมวันหนึ่งถามหลวงพ่อกิมว่าทําไมท่านภาวนานะท่านบอกว่าท่านะระลึกได้ ก่อนเนี่ยท่านเคยเป็นบัวเป็นวัวอยู่ภาคีสานนี่แหละแล้วเจ้าของเอาไปผูกไว้ไปตอกหลักไว้ที่ท้องนานะให้กินหญ้าเช้อของกาว่าจะไปธุระประเดี๋ยวเดียวปรากฏว่าติดพันไปทั้งวันเลยบัวนี้กินหญ้าแห้งๆไปนะแล้วก็หิวน้ำทุรนทุรายนะอยากกินน้ำหิวมากเลย เห็นคนเดินผ่านมาก็ดีใจนะกระโดดโลดเต้นคิดว่าเขาจะเอาน้ํามาให้กินคนพอเห็นบัวเต้นไปเต้นมาอุ้ยบัวตัวนี้บ้าไปแล้วไม่เข้าใกล้เลยะท่านบอกว่าจนเย็นจนค่ำนะเจ้าของถึงมาพาไปกินน้ําำท่านบอกท่านเห็นทุกเห็นโทษของวัตตะเนี่ยท่านนี้มิดอย่างนี้นี่มิดดีนะนี่มิดอย่างเนี้ยนี่มิดดี ทำให้เกิดกำลังใจที่จะภาวนาพ้นทุกข์แต่ถ้านิมิตแล้วกูเก่งกูรู้ไม่ต้องมีใครบอกกูก็รู้เองนี่นิมิตย่างนี้อย่าไปเชื่อกิเลสหลอกยังมีกิเลสอยู่เชื่อไม่ได้เนี่ยนิมิตทางใจระลึกไปอดีตระลึกไปอนาคตวิธทีก็รู้คนเนี้ยตายแล้วเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่ได้มีญาณทัศนะจริงอาศัยจิตมันสัมผัสเาจริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วแต่กิเลสวันไหนกิเลสหนามก็เพี้ยนวันไหนกิเลสเบาบางมันก็ถูกต้องขึ้นมารู้อดีตรู้อนาคตรู้ว่าจะมีอย่างโน้นจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยินไหมเมื่อหลายปีก่อนนะ่ทายกันว่าน้าจะท่วมกรุงเทพ ถึงยอดตึกเลยคนที่ถ่ายอันนี้เยอะแยะเลยทั้งพระทั้งโยมแล้วมันท่วมไหมไม่ท่วมแต่เราลืมหมดแล้วว่าใครถ่ายนึกออกไหมแต่ตอนเขาถ่ายเนี่ยเราตื่นเต้นเนี่ยความงมงายพร้อมจะงมงายมันมีอยู่นะสิ่งเหล่านี้อย่าเชื่อเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น กระทั่งนิมิตว่าพระพุทธเจ้ามาบอกอย่างเชื่อไม่ได้เลยนะมานานจะมาบอกแทนก็ได้อย่างโน้นอย่างนี้มันหลอกเราเวลาโดนมันหลอกเนี่ยกุศลที่เคยมีก็หายไปนะกุศลใหม่ก็ไม่เกิดอากุศลที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นมาอากุศลที่เกิดแล้วยิ่งเกิดแรงขึ้นนิมิตไปแล้วเซลล์จัดมากขึ้นมากขึ้นหัวดื้อไม่เชื่อใครแล้วเนะนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหลอกลวงเอา เงือนนิมิตเนี้มีสารพัดนิมิตเลยนะรู้อดีตรู้อนาคตรู้ผีสางนางไม้รู้อะไรสารพัดไม่รู้กิเลสตัวเองอย่างเดียวเนะงือนถ้าภาวนาแล้วไม่เห็นกิเลสตัวเองเนี่ยล้มเหลวแล้ว น, ะนี่เวลานิมิตมันเกิดเนี่ยมันเกิดได้กับทุกคนที่นั่งสมาธิแล้วจิตมันยังไม่สงบถึงฐานจริงๆนิมิตมันจะเกิด เพราะว่าจิตใต้สำนึกมันทำงานขึ้นมาอยากเห็นอะไรมันก็เห็นหลวงพ่อนะชํานาญในนิมิตมาตั้งแต่เด็กธรรมานาปนาสตินะจะมันเป็นแสงขึ้นมาอยากเห็นสวรรค์มันก็วิ่งไปดูได้นะส่วนสวรรค์ที่ไปเห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะแต่การเห็นนะเห็นจริงๆแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงก็ได้เคยมีคนถามหลวงปูดุล วันนีมีคนนั่งสมาธิแล้วเห็นนอนเห็นนี่เขาเห็นจริงไหมหลวงปู่บอกเขาเห็นจริงเขาไม่ได้โกโหกหรอกเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นนะมันไม่จริงจิตมันหลอนงั้นเราต้องดูนะความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อลดละกิเลสนะเพื่อเจริญกุศลอย่าไปเชื่อมันถ้าเชื่อแล้วหายะนะเลยนะ กิเลสที่ไม่เคยมีก็จะมีกูเก่งเหนือมนุษย์ธรรมดาให้มาลนะ่ะใครพูดอะไรกูไม่เชื่อลนะ่ะกูเชื่ อ, อยานทัศนะของกูเองในกิเลสนั้นแรงกว่าเก่านะ่ไปเชื่อมันหรือพอเห็นแล้วก็ขวัญในดีฝ่อนะนั่งภาวนาอยู่ผีมาแล้ววิ่งแจ้นเลยสติแตกนะเพี้ยนไปเลยอย่างนี้ก็มี นี่เวลาที่นั่งภาวนาไปทำสมาธิไปเนี่ยแล้วเกิดนิมิตเนี่ยตกใจให้ดูว่าจิตตกใจดูกลับมาที่จิตนะกลัวรู้ว่ากลัวดีใจเมื่อเห็นเทวดาแล้ววันนี้พระอินมาหาอนะไราเียพระอินนะเขียวปีเลยอนะไรอย่างเงี้ยทำไมพระอินต้องเขียวก็เพราะเคยได้ยินว่าพระอินเขียวนะถ้าเคยได้ยินว่าพระอินสีแดงพระอินที่มาหาก็สีแดงอีกแหละ นะจิตน่ะหลอนสารพัดจะหลอนได้เลยไม่อยาเชื่อย้อนกลับมาที่จิตตัวเองเนะจะได้เอาตัวรอดได้นิมิตปลอมจะหายไปนิมิตจริงก็แค่รู้แค่เห็นนะก็แค่ผัสสะอันหนึ่งที่เราไปรู้ไปเห็นเข้านะอันนี้เป็นศัตรูร้ายของคนที่ทำสมถะ ส่วนศัตรูร้ายของคนที่ทำวิปัสนาคือวิปัสโนภิกิเลสวิปัสโนภิกิเลสเนี่ยเวลาเกิดแล้วเนี่ยมากจะสาคัญว่าบรรลุมรรคผลหรือสําคัญมั่นหมายว่าเป็นพระอรหันตนะ์เป็นได้ถึงขนาดนั้นนะเวลาวิปัสโนเกิดเวลานิมิตเกิดไม่ค่อยสนใจเรื่องมรรคผลอะไรนิมิตมากจะ ไปเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายเกิดความรู้ความเห็นอะไรแปลกๆขึ้นดังใจแต่วิปัสสโนนี่เวลาเกิดแล้วมันจะหลงผิดนะว่าบรรลุมรรคผลหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเคยมีพระวงหนึ่งนะเป็นพระต่างประเทศมาเรียนกับหลวงพ่อมาเป็นครั้งคราวนานๆมาทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งท่านก็มาถึงท่านก็ หยองมาอย่างนี้เลยนะเคยเป็นพระเด็กๆนี่แหละพระพรรษาเดียวอะไรเงี้ยนะเจอผู้ใหญ่เคยอ่อนโยนอ่อนน้อมนะวันนั้นมาเนี่ยมาแบบใหญ่มาเลยเราเห็นหน้าเราก็รู้ละท่านก็เล่าเนี่ยท่านบรรลุแล้วบอกไม่ใช่หรอกไปดูให้ดีสิโกรธเลยนะโกรธเนี่ยจาย์ประโมทใช้ไม่ได้ เขาบรรลุแล้วบอกว่าเขาไม่ยังไมบรรลุอะไรเห็นแต่กิเลสนะโกรธไปเลยเนะนี่ยเวลาภาวนานะดูรูปนามแสดงใจรลักไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วพอสมาธิตกพอสมาธิไม่พอวิปัสสนุปกิเลสจะเกิดขึ้นวิปัสสนุปกิเลสเกิดขึ้นเพราะสมาธิไม่พอความตั้งมั่นไม่พอ ส่วนนิมิตเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิเล็กน้อยนะมีสมาธินิดหน่อยนิมิตเกิดขึ้นนะแต่ท่านสมาธิไม่พอเนี่ยมันจะเกิดวิปัสสนูหลวงพ่อก็เคยเป็นนักปฏิบัติเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยเจอวิปัสสนุทุกคนไม่มีข้อยกเว้นนะต้องเจอหลวงพ่อเคยภาวนานะแล้วเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเราดูไว้ที่กิเลสกิเลสมันเคลื่อนหนีออกไปข้างนอก เคลื่อนหนีออกไปหลวงพ่อก็ตามไปดูปรากฏว่าเราไม่รู้ทันว่าจิตเนี่ยเคลื่อนออกจากฐานแล้วนะตัวเนี้ยสมาธิเราเสียแล้วพอมันเคลื่อนออกไปข้างนอกนะมันสลายตัวดับวับลงไปจิตเราไปค้างอยู่ข้างนอกนะติดอยู่ในโอภาษในความสว่างความว่างโอภาษสว่างสวัยเลยอยู่อย่างนั้นตั้งนานนะอยู่เป็นปีเลยหลวงพ่อเฉลียวใจ อะไรวะภาวนาอย่างนี้ของมันควรจะไม่เที่ยงทําไมมันเที่ยงของมันควรเป็นทุกข์ทำไมมันเป็นสุขของบังคับไม่ได้ทําไมบังคับได้ไอ้ที่เรียกว่าของของนะ่นคืออะไรคือจิตเองทําไมจิตเราเที่ยงวะจิตเหมือนกันทุกวันเลยสว่างสวายอยู่อย่างเงี้ยนะมีความสุขอยู่อย่างเงี้ยมันเหมือนเราบังคับเราควบคุมได้ฉเฉลียวใจเลยนะว่ามันต้องผิดละแต่มันผิดตรงไหนดูอย่างไม่ออก ดูไม่ออกว่ามันผิดยังไงนะที่จริงคือจิตมันเคลื่อนตามอารมณ์ออกไปนะแล้วอารมณ์นั้นดับกิเลสเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้กนะิเลสดับปุ๊บไปจิตไปค้างอยู่ข้างนอกเพราะเราไม่เห็นตอนที่มันเคลื่อนออกไปเราคิดว่ามันตั้งมั่นอยู่แล้วนะที่จริงคือสมาธิไม่พอแล้วจิตไหลออกไปนี่ดีว่าฉเฉลียวใจนะไม่คิดว่าเป็นพระลรหันหรอก หลวงพ่อจะไม่คิดเลยว่าจะได้ดีอะไรเวลาเกิดอะไรขึ้นนจะทวนแล้วทวนอีกทบทวนซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครั้งหนึ่งนี่มิดหลอกนะนึกว่าเป็นธาตหนักคาหลวงพ่อไปหาหนังสือโปมาอา่านอ่านอยู่เจ็ดวันนะราคาเกิดขึ้นดีใจเห็นราคามันหลอกเราไม่สําเร็จละ่ะครูบาอาจารย์ชมเลยว่าฉลาดในการเอาตัวรอด ตอนที่จิตไปค้างไปว่างติดมิปัจจนุอยู่ข้างนอกเนี่ยไปถามหลวงตา ม, มหาบัวจากเตียนท่านพ่อแม่ครัวอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตอยู่แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเลยเป็นปีท่านมองหน้าปลาดนะ่ะท่านก็ตอบเลยบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรอะไ ก็สู้บริกรรมไม่ได้ไปทําเอาหนะลวงพ่อก็ถอยมาท่านก็นั่งฉันข้าไปแล้วก็นั่งข้างหลังท่านพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะจิตเหมือนจะแตกเลยจิตไม่ชอบพุโทโธหลวงพ่อชอบอานาปนสติมากกว่าเราก็เลยกลับมาหายใจนะแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธเอาใจท่านซะหน่อยมีพุโทโธด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ หายใจอยู่ไม่กี่ทีนะจิตรวมลงไปโอ้แทบเขะกะ บ, บานตัวเองเลยจิตมาออกนอกฐานไปเราไม่รู้นะเนี่ยจิตกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยพอจิตกลับเข้าฐานหเห็นอะไรเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่ตโทษของธาตุของขันธ์ของกายของใจขึ้นมาทันทีเลยไม่อยู่ตรงนั้นว่างๆไม่เห็นอะไรเลยนะดีว่าไม่หลงเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะหลวงพ่อไม่เชื่อง่ายเป็นคนที่ไม่เชื่อง่ายเวลารู้เวลาเห็นอะไรนี่ทวนแล้วทวนอีกนะไม่เชื่อหรอก ้เชื่อง่ายเนีอเอาตัวไม่รอดหรอกเพราเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นานๆจะได้เจอทีหนึ่งวิปัสสนูมีสิบอย่างนะบางครั้งเนี่ยอย่างสติแรงเกินไปอภิธรรมบอกว่าสติเนี่ยเป็นคุณธรรมฝ่ายดียิ่งเกิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเกิดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าจะใช้คำให้ถูกยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดี แต่ถ้าเราจงใจตั้งสติแบบเข้มเข้มปึ๊ดๆเลยนะคราวนี้ยมันจะเพี้ยนละตั้งใจตั้งอย่างแรงเลยนะเวลามองอากาศข้างหน้าเนี่ยเห็นเป็นเม็ดๆ เ, เลยใครเคยเห็นไหมเนี่ยมีเคยเห็นเห็นไหมเนี่ยแล้วถ้าหลงผิดว่าโอ้กูเห็นโลกธาตุเป็นแค่อานุเท่านั้นเองกูเก่ง กูคงบรรลุธรรมะชั้นสูงแล้วโลกนี้เป็นแค่อันหนูเท่านั้นเองก็เพียนเท่านั้นเองนี่หลวงพ่อรู้สึกพระละหันเวนอะไรวะเหนื่อยชิบหายเลยรู้สึกอย่างนี้นะหลวงพ่อนักเลงนะพูดไม่เพลาอหรอกแต่มาพูดกับเราก็พูดเพลาอหน่อยเวลาพูดกับเพื่อนนะไม่เพลาอเรียกชื่อพ่อมันแทนชื่อมันจนลืมชื่อมันไปเลยรู้แต่ชื่อพ่อมัน ไปหน้าบ้านมันตะโกนเรียกชื่อพ่อมันนนพ่อมันโผลกมาเราใจหายเลยเนี่ยมันหลอกลวงเราสารพัดนะมีเยอะนะทีก็ว่างสว่างอะไรพวกนี้นะพวกที่ดูจิตส่วนใหญ่จะเจอโอภาษจิตจะสว่างว่างอย่าเชื่อมันพอสว่างว่างขึ้นมานะนึกถึงคำสอนของหลว ง, งปู่ดูลซีกหลวงปู่บอกว่าเนี่ยจิตพระอรหันต์นะว่างสว่างบริสุทธ หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสะอย่างภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ภายในไม่มีความเคลื่อนไหวพอไปติดโอภาษอยู่นี่ไงว่างสว่างบริสุทธิ์พไม่เห็นกิเลสตัวไม่เห็นกิเลสไม่ได้แปลว่าไม่มีกิเลสมันโง่เองมันไม่เห็นกิเลสเต็มหัวเต็มบาลเต็มจิตใจไม่เห็น เนี่ยมันหดอกเราเราอ้างอิงคําสอนของครูบาอาจารย์นี่แหละว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งเนี่ยวิปัสสนงวิปั ส, สนาอะไรไม่ทําล้วเพราะวิปั ส, สนาก็เป็นความปรุงแต่งปรุงดีอะไรอะไรก็ไม่ทําไอ้นู่นก็ไม่ทําไม่นี่ก็ไม่ทำเนี่ยหยุดความปรุงแต่งมันทําการไม่ทํำมันแต่งความไม่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช้ไม่ได้ ไม่มีการไปไม่มีการมาอันนี้ไม่เห็นที่จริงไปไปมามาตลอดแต่มองไม่เห็นนะนั้นถ้าภาวนาไปเรื่อยต้องระมัดระวังนะวิปัสสนูมีสิบอย่างไปหาาเอาเองไปถามหลวงพ่อกูนะหลวงพ่อกูตอบได้นะไปอ่านเอาเองเสียเวลาเทศยาวนะก็สิบข้อแต่วิธีที่จะผ่านวิปัสสนูมีข้อเดียวนะ คือถ้าจิตมีสมาธิถึงฐานถูกต้องแล้วก็สิบวิปัสสนูจะหายทันทนะีพระอ น, นุท่านเรียกวิปัสสนุปกิเลสนะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมมุทัจะธรรมะอุทัจะความฟุ้งในธรรม10บประการกนะ็คือตัววิปัสสนูสิบนั่นเองไม่ว่าเราจะทําวิปัสสนามาด้วยวิธีใดนะใช้สมาธินําปัญญาใช้ปัญญานําสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกัน จเจริญปัญญาทำวิปัสนายังไงวิปัสสนุก็เกิดเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยสมาธิเราไม่พอเราจิตตั้งมั่นเนี่ยแล้วเราไปรู้สภาวะเกิดดับเนี่ยนะได้ไม่นานสมาธิก็หมดแบตเตอรี่ของเรายังเป็นแบตบแบบคุณภาพต่ำอยู่นะยังเป็นแบตต่ำสตังไม่มีก็ซื้อได้แต่แค่นี้มันไม่ระเบิดใส่หน้าแตกเัยก็บุญแล้ว สมาธิของเราอ่อ น, นอไปดูอารมณ์เกิดดับพักเดียวเท่านั้นะสมาธิไม่พอแล้วจิตไหลจิตเคลื่อนแล้วตรงนี้แหละวิปัสสนูจะเกิดแล้วถ้าเราเกิดทำสมาธินะจิตตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาเนี่ยวิปัสสนูจะดับทันทีน <c oughs> เพราะงั้นหลวงพ่อถึงเขี้ยวเข็นเข้มงวดกดขันกับพวกเราเรื่องสมาธิตั้งมั่นถ้าสมาธิไม่ตั้งมั่นไปไม่รอดหรอก ในวิสุธทธิเจวิสุธทธิเคยได้ยินไหมนะถ้าเป็นนักปฏิบัติควรจะได้ยินหลังๆโม่แต่ไปยุ่งกับยานส6บหกยานสิบหกเนี่ยเป็นตำราชั้นหลังนะตำราชั้นพระใจปิดกเนี่ยมีเรื่องวิสุธทธิเจตศีลวิสุทธศีลนะวิสุทธ์ต่างกับศีลธรรมดาอย่างไรศีลธรรมดานี่ถือศีลไปเพื่อจะได้เป็นคนดีมีโภกกระซับนะมี ไปสวรรค์ม่อะไรงี้ไแต่ศีลวิสุทธิเนี่ยเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของจิตนะั้นเป็นศีลที่ละเอียดประณีตมากเลยต้องรู้เท่าทันจิตตัวเองนะถึงจะเกิดศีลวิสุทธิได้จริงๆกิเลสแทรกเข้ามาในจิตมีสติรู้ทันกะิเลสสลายไปตัวเนี้ยศีลเราถึงจะบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะมีสติคุ้มครองรักษาจิตตัวที่สองชื่อจิตตวิสุทธนะิ จิตวิสุทธ์นี่คือจิตที่ทรง ส, สมาธิถูกต้องถึงฐานจิตวิสุทธ์เป็นสมาธิที่ต่างกับสมาธิทั่วไปยังไงจิตวิสุทธิ์เป็นสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นศีลเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสมาธิเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีสองอันนะจิตตั้งมั่นเพื่อเดินปัญญานะจิตสงบอยู่ในอาร ม, มันเดียว เพืจะพักผ่อนให้มีกําลังที่จะเจริญปัญญามีสองตัวนะสีวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยคือสามารถแยกรูปนามได้แยกขันได้นะเรียกว่าถ้าเราแยกขันไม่ได้นะไม่ใช่ทิฏฐิวิสุทธิยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเรารู้สึกนี่คือตัวเรานะแต่ถ้าเพราเราแยกออกมาได้นะ กายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตเราจะเห็นว่าแต่ละตัวแต่ละตัวมันแยกออกจากกันต่อไปกลางขาวิตรณะวิสุทธ์เนี่ยสามารถรู้ว่ารูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยมีเหตุให้เกิดไม่ใช่เกิดลอยๆอยถัดจากนั้นเนี่ยก็ถึงวิสุทธิอีกตัวหนึ่งชื่อมัคคามัคคายานทัศน์วิสุทธ์มัคอะมัตทางและไม่ใช่ทางตรงนี้แหละที่เรา ทำวิปัสนาเบื้องต้นนะแล้วก็เกิดวิปัสณูขึ้นมาแล้วจิตรู้เท่าฐานวิปัสสณูกลับมาถึงฐานผ่านวิปัสณูได้เราถึงจะได้สิ่งที่เรียกว่ามักคามักคาญาณทัศน์นาวิสุดถ้ายังติดวิปัสณูอยู่เป็นอามักนะถ้าจเจริญวิปัสนาอยู่เป็นมักนะเนี่ยตัวรู้ฐานตัววิปัสณูเนี่ยมาถึงตัวพิสุทธิ์ตัวนี้เลยนะไม่ธรรมดานะ เลยอีกสองตัวเองก็พ้นละหลอกเด็กนั้นเนี่ยไอ้สามตัวนี้โคตรโคตรโคตรยากเลยนะปฏิปทาญาณทัศน์วิสุทธ์จิตผ่านวิปัสสนูแล้วมันเดินวิปัสนาต่อจนกระทั่งจิตเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดเกิดญาณทัศน์วิสุทธ์เกิดมรรคผลขึ้นมาเนี่ยค่ยค่ อ, คอฝึกไปนั้นศีล รักษาศีลไม่ใช่เพื่อเอาหน้าแต่รักษาศีลเพื่อขัดเกลาจิตนะฝึกจิตให้ตั้งมั่นไม่ใช่เพื่อรู้เพื่อเห็นอะไรวิเศษเหนือมนุษย์อื่นแต่เพื่อให้มีกำลังที่จะไปเจริญปัญญาเจริญปัญญาเริ่มต้นตั้งแต่การแยกขันแยกรูปแยกนามพอนะแยกได้แล้วก็ดูไปทุกอย่างไม่ได้เกิดลอยๆไม่มีอุบัติเหตุไม่มีฟลุกไม่มีคาว่าบังเอิญทุอย่างเกิดจากเหตุ มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ใจมันรู้ไปนะศาตร์จากนั้นก็ดูมันเกิดดับนะสภาวะมันเกิดดับไปเพราสมาธิไม่พอเกิดวิปัสสนูนะทําสมาธิให้พอวิปัสสนุาหายพอชํานาญตรงนี้แล้วเนี่ยถึงจะเรียกว่ามีมัคคามัคคายานทัศนนวิสุทธิ์นะได้แล้วเราก็เดินวิปัสสนาต่อไปเดินไปแล้วพอหมดแรงกลับมาทําสมถะ เราทางที่ดีนะอย่ารอจนหมดแรงแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันทำในรูปแบบไวนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ไปเรื่อยๆทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งจิตไหลไปอยู่ที่ตัวกรรมฐานนะั้นเราก็รู้อย่างเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมเราก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะแล้วจิตจะตั้งมัน่นพอจิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงแล้วเนี่ยก็ไปเดินปัญญา ต, ต่อ วันนี้เล่าเรื่องอะไรประหลาดประหลาดนะเพราะว่าพวกเราต้องเจอนิมิตพวกเราอาจจะไม่เจอแต่พวกที่เล่นสมาธิจะเจอนะแต่วิปัสสนูเนี่ยพวกเราที่ดูจิตดูใจเจอโดยเฉพาะตัวที่หนึ่งโอภาษดูแล้วจิตว่างสว่างเนี่ย่าเชื่อนะถ้าวางอยู่งั้นตลอดปีแล้วก็ใช้ไม่ได้ลนะผิดนะย้อนมาดูให้ถึงฐานจริงๆ อ่ะไปกินข้าวไปเดี๋ยวมาต่อรอบสอง